ในามอัลลอฮอลลอฮอาัความสุขและความสัตอารความเจริญจากอัลลอฮุ سبحانه ละประสบกับพี่น้องผู้สัาทุกท่านนะครับทุ่ลิลพี่น้องครับกลับมาเช่นเคยนะครับพบกันในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับอยากที่จะได้เน้นย้ำแล้วก็บอกกับเราทุกๆคนนะครับว่า ให้เราได้ได้เข้าใจแล้วตระหนักอย่างสม่ำเสมอ น, นะครับว่ากุร์านนั้นเป็นธรรมนูญกุร์านนั้นเป็นทางรอดและทางนําของมวลมนุษยชาตินะครับเพื่อให้เราได้ได้ได้ไดรู้แล้วก็ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาเรื่องของอัลกุร์านนะครับไม่ว่าจะเป็นในระบบใดนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงตอนใดกุร์านคือหัวใจหลักของชีวิตบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับเราต้องมีความเชื่อมั่นและมั่นใจและต้อต้องรู้ ถึงความสําคัญของสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างถ่องแท้นะครับเราจะเห็นว่าเรากับโคตรอ่านเราแยกออกจากกันไม่ได้นะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอ่านฝึกอ่านนะครับแล้วก็การท่องจําการ อ, อ่อานความหมายเรียนรู้ความหมายนะครับแล้วก็ในยะของอัลกุรอานทั้งหมดเหล่านี้รวนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้ทั้งสิ้นเลยนะครับก็อยากที่จะได้เตือนนาตรงนี้นะครับเพื่อให้เราได้เห็นถึงความสําคัญของอัลกุรอานนะครับ ครับพี่น้องครับเรายังอยู่ในสุร้อนกบุษนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นอายะที่สิบปดนะครับถ้าความในตอนที่แล้วนิดหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูอัตลาได้ยกตัวอย่างนะครับในเรื่องราวของนบีอิบราฮิมอะลัยซลามนะครับแล้วก็ได้ให้เราได้เห็นนะว่าคําสอนคําบอกคำชี้นํานั้นเพื่อบอกให้คิดนะชี้ให้เห็นแล้วก็แนะนําถึง การดําเนินการว่าควรจะต้องทําอย่างไรนะฮะแล้วก็แน่นอนครับสุดท้ายก็คือให้เราได้ตระหนักนะครับว่าสักวันหนึ่งเราต้องกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูอะตาลาไม่ว่าเราจะอยู่ในยุคไหนอยู่กับใครอย่างไรนะครับต่อมานะครับในแอที่สิบปดนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูอะตาลาต่อเนื่องเลยนะครับที่พระองค์ได้บอกว่าอินทุกัสซิบูฟักกัตกาซาบะอุมะมุมมินกอบลิกุมอันนี้แน่นอนแหะครับก็คือ ต้องการที่จะได้ให้เราทุกคนนั้นได้ไ ด, ได้รู้นะครับและบรรดารอษูลซึ่งแน่นอนครับเป็นตัวอย่างกับเราทั้งหลายนะครับว่าบรรดารอซูลทั้งหลายถ้ามาดแม้นว่าพวกเขาเหล่านี้ผู้ปฏิเสธเหล่านั้นนะครับในแต่ละยุคนั้นปฏิเสธไม่ยอมรับไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งเขาเรียกถอดใจหรือสิ้นหวังรันใจให้พึงรู้ว่าฟกตกาซาบูมามุมเมียงกอบเลกุม ให้พึงรู้ว่าประชาชาติก่อนหน้านี้กลุ่มชนก่อนหน้านี้ก็ปฏิเสธอย่างนี้เช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าการทํางานศาสนาหรือการเผยแพร่ศาสนามันไม่ใช่หมายความว่าไม่ใช่หมายความว่าเราจะเจอกับกีบกุลาเจอกับความง่ายได้เจอกับการทีเ่เขาเรียกว่าทุกคนเห็นพ้องต้องการยอมรับแล้วก็สนับสนุน ม, มันก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ทั้งนี้และทางนั้นนะครับการ เกิดขึ้นหรือการยอมรับหรือการมีของการสังคมที่คอยสนับสนุนช่วเหลืออันนี้อาจทำโดยในละก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นกําลังใจแต่ถ้าเจอกับการปฏิเสธเจอกับการต่อต้านเจอกับการคัดคัดค้านไม่เห็นด้วยอย่าพึ่งน้อยเนื้อต่ำใจอย่าพึ่งถอดใจอย่าพึ่งหันหลังให้กับงานศาสนาเพราะทําไมครับอัลลอฮฺบอกไว้ในอยัยากุรันว่าอินตุกซิบูนะถ้าท่านถูกปฏิเสธ พวกเขาปฏิเสธแล้วก็หรือเมื่อการปฏิเสธเกิดขึ้นฟากรดกัสซาบูฟากรดกัสซะบูอุมามิมิโกบลีกลุ่มนั้นก่อนหน้าสูรเจ้าทั้งหลายเนี่ยกลุ่มชนประชาชิก่อนหน้าสูรเจ้าก็ปฏิเสธเช่นเดียวกันไม่ไม่ไม่ไม่ไม่กไม่แตกต่างนะครับและทําไมล่ะครับวามาอาราซูลิลบน巴拉กุลโมบินนั้นพึงรู้ไว้ว่าหน้าที่ของบรรดารอซูลหน้าที่ของบรรดารอซูลไม่ใช่อื่นใดเลย ไม่ใช่เรื่องใดเลยนอกเสียจากการเผยแพร่การบอกกล่าวการแนะนำอย่างชัดเจนพี่น้องครับอุมมะหรือประชาชนของท่านนบีสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอุมมะที่รับถ่ายทอดมรดกของท่านนบีสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นหมายความว่าหน้าที่การปฏิบัติการเชิญชวนการเรียกร้องการที่เราจะต้องอยู่ในรอบรั้วของศาสนานั้น มันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำน ะ, ะหน้าที่คือหลักนี่คือหน้าที่หลักน ะ, ะอายะกุร์อ่านก็บอกมาครับว่ามาว่ามาอลักตุนจินนวัดอิสอลามิยาบูดุลนะเพราะองไม่ได้สร้างมนุษย์และจินมาเพื่อ่นใดนอกจากการอิบดัดดังนั้นมันเป็นอะไรที่ตอบย้ำพวกเราทั้งหลายว่าเรากับกุรอ่านเรากับศาสนาเรากับการเผยแพร่เรากับการทำงานศาสนาไม่ได้มีข้อแตกต่าง ไม่ได้มีระดับว่าจะต้องอะไรก่อนอะไรหลังไม่ได้มีว่าอันนี้ไม่ไ ม, ไ, มไม่ต้องแล้วทําเยอะแล้วไม่แต่เราต้องอยู่อย่างนี้นะครับหน้าที่ของเรานะอมามานะที่ถูกมอบหมายนะครับนั่นก็คือการเผยแพร่ศาสนาการแนะนําศาสนาการเชิญชวนเรื่องศาสนาการสนับ ส, สนุนเรื่องศาสนาไม่ใช่เพียงแค่เดือนเดียวไม่ใช่เป็นแค่ช่วงเดียวไม่ช่วงที่เราได้รับวิสกีเยอะแล้วก็พอพอพ อ, พอที่จะให้เวลากับศาสนาบ้างแต่วันใดที่อัลลอฮ์ทดสอบนะจะต้องใช้เวลากับการ ท ำ, ทำนู่นทำนี่เราก็ทิ้งในเรื่องของงานศาสนาไม่ใช่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อวสุฮาโนตลาให้ตัวอย่างบอกตัวอย่างกับพราทั้งหลายว่ามาอาราสุลิลเบลากุลโมบินหน้าที่ภาระหน้าที่ของบรรดารอซุลทั้งหลายไม่มีอะไรนอกเสียการเผยแพผ่ศาสนาแต่ถ้าเราเป็น อ, อุ ม, มะหรือประชาชาติของท่านนบีที่รับไม้ต่อ น, นั้นก็ไม่แตกต่าง นะครับเพียงแค่เราไม่ได้รับวะอยู่จากอัลลอฮ์สุบฮานอตาลาเพียงแค่เรานั้นได้ทุกอย่างที่ท่านนบีนะเหล่าบรรดาซัวบะตาเบะตาบีอินนะครับได้ได้สร้างได้ทําได้ได้สานต่อสืบต่อและบรรดาอุลามะต่างๆนะครับผู้ศรัทธาจนกระทั่งมาถึงเราวันนี้ก็สร้างสิ่งต่างๆนี้เพื่อส่งไม้ต่อให้กับคนรุ่นต่อๆไปเช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลาได้บอกว่าอวลาญยาเราไกฟายุบดิอุลลาหุลขล ซมอยู่อดอันนี้พี่น้องครับให้เราได้ได้ได้เห็นอีกนิดหนึ่งนะครับที่บอกว่าและพวกเขาไม่เห็นดอกหรือที่พระองค์อัลละฮซุบฮานะฮุวะตลาเริ่มสร้างอย่างไรกำเนิดอย่างไรสร้างสรงสรพสิ่งต่างอย่างไรเนี่ยไม่ได้คิดพิจารณาดอกดูอันนี้เป็นคำถามเพื่อให้คิด สร้างมนุษย์มาอย่างไรสร้างโลกมาอย่างไรดวงจันทร์ดวงอาทิตย์สร้างมาจากการโคโจรทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยใกล้ฟยุบดูอุลลอฮุลขัลนะแต่แน่นอนครับโฟกัสไปที่มนุษย์เพราะอิสลามบรรดารอซูลทั้งหลายได้บอกอยู่แล้วว่าเราทุกคนเราทุกคนคือมนุษยชาติทั้งหมดตั้งแต่ในเบออดัมจนถึงเราวันนี้แล้วถึงวันเจียมัเราจะถูกฟื้นคืนชีพไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนนะครับในทุก บรรดารอษูนจะถูกกระแนะกระแหนถูกกล่าวหาถูกว่าถูกตั้งข้อสงสัยนะครับว่าตายเป็นดินแล้วจะฟื้นคืนชีพหรอือกระดูกเน่าเปื่อยเป็นผงทุรีไปแล้วจะถูกฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งหรอือนะวันฟื้นคืนชีพวันแห่งการตอบแทนทั้งหมดเหล่านี้เป็นไม่ไม่มีข้อเล็กไม่มีจริงไม่เชื่อไม่ศรัทธ า, าเห็นไหมฮะนี่คือนี่คือกุศโลบายที่เธอต้องถูกเจ็บนะครับ แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูอัตตาลาได้บอกนะครับอวัลัมยะเราใกล้ยฟ ย, ยุบดิอุลลอฮฺลคัลพวกะเขาไม่เห็นหว่าการอัลละฮฺสร้างมาอย่างไรนะครับในขั้นของสตรีจากอสุจิกลายเป็นก้อนเลือดจากก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อจากก้อนเนื้อกลายเป็นกระดูกแล้วหนังหุ้มกระดูกขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยถูกเก่าไว้ในอันกุรอานทั้งที่ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครเห็นทีใน่ในยุคนี้บอกว่าเห็นได้แล้วที้บอกว่ามีการ อ, อันตาซาวเห็นโน่นนี่นั่นการวิวทยาศาสตร์ได้ทําให้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างไรโน่นนี่นั่นในอดีตไม่มีครับแต่กุรานกล่าวไว้พันสีร้อกว่าปีนะพันสีอและการเกิดอย่างนี้มาได้อย่างไรไม่ใช่ธรรมชาติพี่น้องครับไม่ใช่ธรรมชาติที่หลายคนเข้าใจว่ามันก็เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่สร้างขึ้นไม่ใช่ อัลลอฮฺซ all ุบฮานะฮุวะตาลาบอกว่าไกฟโยบิอุลลอฮฺุลคลอัลลอฮฺสร้างมรคโลกสร้างสิ่งต่างขึ้นมาได้อย่างไรซุมมาอยูอีดูและแน่นอนการที่จะฟื้นคืนชีพหรือทําอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันมันลบากตรงไหนมันยากตรงไหนแล้วมันเป็นไปไม่ได้ตรงไหนความหมายก็คือว่าการกำเนิดครั้งแรกกับการ กำเนิดหรือการฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าจะมองในมุมของการเป็นมนุษย์อย่างเราอันไหนมันยากกว่ากันอันไหนมันยากกว่ากันอันไหนมันเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้อย่างไรถูกไหมครับตังนั้นบรรดาผู้ที่ปฏิเรรสธรอซูลทั้งหลายพยายามคิดในการเป็นมนุษย์อย่างเราเนี่ว่าว่ามันเป็นไปได้อย่างไรก็คิดไปไม่ถึงเราก็เป็นไปได้อย่างไรเหมือนในอดีตเมื่อห้าสิบปีที่แล้วเป็นไปได้อย่างไงนะครับว่าโทรศัพท์ ไม่มีสายไม่ไม่มีสายเป็นไปได้ไงโทรโทรทัศน์เป็นไปได้ไหมที่เป็นแบนๆพกพากันได้คือไปไม่ถึงสติปัญญาความเชื่อยังไปไม่ถึงแค่ห้าสิบปีเองพี่น้องแค่ห้าสิบปีเราเห็นอะไรต่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาได้จนกระทั่งลืมไปแล้วว่าโทรทัศน์ที่ว่าใหญ่ๆตูดใหญ่ๆเนี่ยหนักๆเนีน่ยลืมไปแล้วว่ามันเสร็จจากอะไรเห็นไหมครัตอนนี้ก็มา ยิงเล็กยิงบางยิงอะไรต่อเมียอะไรเยอะแยะมากมยแค่มรกลุกเล็กๆนี่นะที่มนุษย์ทำขึ้นมาเองเนี่ยเรายังเขาเรียกใช้เวลาต้องห้าสิบปีแต่ที่อัลลอฮ์สร้างนะที่อัลลอฮ์สร้างพรพับผู้เป็นเจ้าบอกเราคิดว่ายากกันนั่นผู้สร้างที่แท้จริงจะยากกันนั่นเป็นไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่ บอกเพื่อให้เราได้ตรรกะซนะุมมายูอาีดูพระองค์หลังยะพระองค์จะให้ฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราเข้าใจบริบทของผู้สร้างที่แท้จริงนะครับแวลิกะอัลลอฮฺฮิยาสีตัยอายะฮ์พระองค์ยืนยันนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะการสร้างครั้งแรกและการฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดเหล่านี้นะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาเป็นเรื่องเล็กๆ เ, เป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นอะไรที่จะมัฟ ตั้งเงื่อนไขว่าเป็นไปได้หรอทาแล้ยังไงนู่นเนี่ยมันเป็นผงทุรีไปแล้วลืมนึกไปว่าก่อนจะเป็นผงทุรีเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำยังเกิดขึ้นได้นับภาษาอะไรกับที่มีร่องรอยอยู่แล้วอันนี้คิดแบบให้เราได้เห็นภาพดังนั้นพี่น้องครับกุร์อ่านบอกสอนอะไรกับเรานั้นบางครั้งบอกเพื่อให้คิดตามบอกเพื่อให้เราได้จะวาจินตนาการก็ว่าได้เพื่อให้รู้ได้ข้อคิดและสุดท้ายปัญญาจะเกิด ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่ใช่ผู้สร้างที่แท้จริงทําไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นผู้สร้างที่แท้จริงคืออัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลาพระองค์นะอัลลอฮ์สุบฮานอตาลาสิ่งต่างๆเลยเป็นเรื่องง่ายได้ทั้งสิ้นนะครับต่อมาครับอัลลอฮ์สุบฮานอตาลาได้กล่าวต่วกุลซีรูฟิลล์พี่น้องครับอายะบางทีเราอาจจะบอกว่าอพูดเรื่องนบีนู้แล้วก็มานาบีอิบรอฮิมแล้วก็เรื่องราวต่างต่างและ ท, ท้ายมาเขาเรียกมาโฟกัสหรือมาให้ท่าน กล่าวกับท่านนาบีสุลต่าละฮุอาไลฮิอัซัลลัมอันนี้ไม่ใช่นะครับมันเป็นอะไรต่อเนื่องให้รู้ว่าทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นคําสอนมันเป็นคำบอกมันเป็นคํากล่าวมันเป็นสิ่งที่จะได้สอนอุมมะประชาชาของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต่าละฮุอาไลฮิอัซัลลัมได้รู้ว่ากุรานนั้นคือธรรมนูญคือทางรอดและก็ทางนําของมวลมนุษยชาติมันเป็นอะไรที่เราจะต้องศึกษาเป็นอะไรที่เราต้องเรียนรู้นะครับกุลซีรูฟิลอัรดิ คุรานกลบาว่ากล่าวกับท่านนาบีสุสลต่าละฮ์ฮวาไลฮิวะสลัมให้ท่านนาบีกล่าวจงกล่าวเถิดให้ท่านนบีกล่าวไปกุลซีรูฟิลอบอกกับประชาชาติว่าให้เดินท่องเที่ยวไปบนหน้าแผ่นดินนี้ไม่ใช่เวลาเราอยากเที่ยวเราก็ยกอาย่านี้เปล่ากําลังจะบอกว่าให้เดินทางบนหน้าแผ่นดินนี้ไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยวไม่ใช่เพื่อการอะไรอย่างเดียวจัดด้วยอะไรก็แล้วแต่แล้วไปไม่ได้เพื่อสนุกสนานทําไมครับ ฟันซูรุจงคิดพิจารณาสิ่งที่ได้เห็นได้ประจักษ์บนหน้าแผ่นดินเนี้ว่าอะไรครับไกฟาบาดะอัลเคอัลลอฮ์เริ่มการสร้างอย่างไรพี่น้องครับบางทีเราอยู่ที่เดิมเนี่ยเราก็ยังเห็นของเดิมๆ ม, มาจจะยังถึงแม้ว่ามันมีข้อคิดอยู่ในนั้นแต่มันยังไม่ได้อะไรมันยังไม่เอะ๊ะแต่ถ้าเราเดินทางออกไปนอกพื้นที่ที่เราอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพนะต้นไม้เราเคยเห็นครับแต่ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดเราไม่เคยเห็น ต้นไม้เราเห็นครับแต่ต้นไม้ที่มีรูปร่างหรือมีมีมีมอ่าเขากการเจริญเติบโตที่แตกต่างบางทีเราไม่นนะครับคนที่เขาเคยเขาต้นไม้ใหญ่ๆไม่เคยเห็นต้นไม้เล็กๆนะมันก็มีความแตกต่างทั้งหมดเหล่านี้นะครับเอาล็อสุภาโนตลาให้เขาคิดตรงนี้เพื่อให้รู้ว่าชีวิตไม่ได้อยู่กับที่นั้นเมื่อจะเดินทางไปค้าขายก็ดีจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่คุณซีรูฟิลอร์ฟันซูรู จงคิดพิจารณาว่าอัลลอฮ์สร้างสิ่งที่สร้างนี้อย่างไรไกล้ๆเริ่มสร้างอย่างไรซุนมาลลัยุนชิอุลนัสอัตตะอาคีรอและพระองค์จะให้สิ่งต่างเกิดขึ้นมาในวันแห่งการตอบแทนหรือวันอาคีลลรออะไรอัลลอฮ์ะจะให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกและไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้นะครับไม่ใช่แต่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่า อยู่ในหลักการอยู่ในอีมานหนึ่งใน6ประการของหลักการอีมานของบรรดาพุทธาทาั้งหลายนั่นก็คือศรัทธาในวันอาเคโรศรัทธาในวันฟื้นคืนชีพศรัทธาในวันแห่งการตอบแทนศรัทธาในวันพิพากษาไม่ว่าจะเป็นอาชื่อเรียกอะไรก็แล้วแต่รุนแล้วแต่เรียกว่าวันอาเคโรวันกิยามะวันพิพากษาวันแห่งการตอบแทนทั้งสิ้นเลย นั่นก็คือการฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งของมนุษยชาติทั้งหลายเพื่อมารับผลของการปฏิบัติในโลกดุนยานี้นะครับอ mm ินนัลลอฮ่อัลกุลลิชัยอินกาดให้เราได้พึงรู้ได้เข้าใจนะครับว่าไม่ว่าใครจะบอกไม่ว่าใครจะอย่างไรก็แล้วแต่ให้พึงรู้ไว้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานาูตาลามีอำนาจทรงอำนาจเหนือทุกสิ่ง นะเกินจิตนาการของเราเกินความรู้สึกนึกคิดและการที่จะคิดไปกับเราทั้งสิ้นเลยสมองของเราความนึกคิดจะเก่งกาดขนาดไหนมีลิมิตนะอาจจะฉลาดกว่าคนอื่นๆทั่วๆไปอาจจะอัจฉริยะ i อคิวไปก็ว่ากันไปแต่มีลิมิตแค่นีนะ้ด้วยความสามารถทรงอำนาจของอัลลอสุบฮานหาหูวตลา เราไม่สามารถที่จะจินตนาการหรือแม้กระั่คิดไปถึงได้ในอายะห์ที่บอกว่าอินนัลลอฮ่าลาคุลิเชอินกะดิร์จรึงได้บอกกับพวกเราทั้งหลาว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอำนาจทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าใครที่จะมีอำนาจหรือมีอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนั่นก็คือให้เราได้มีการศรัทธาและมี إ ي م า ن น, นะครับในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับโดยไม่ต้องตั้งเงื่อนไขเหมือนอย่างที่เขาตั้งเงื่อนไขข้อสงสัยต่างๆนะครับว่าตายแล้วจะเกิดขึ้นได้อย่างไร นะครับสิ่งต่างๆนี่เป็นธรรมชาตินะครับการเกิดการเจริญเติบโตการเกิดขึ้นของมนุษย์ในครันของสตรีในคันของมันดามันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เลยแต่มันเป็นข้ออนุมัติจากอัลลอฮฺสุภาหนะฮุวาตัลละแต่ที่ในคุรานบอกไว้ให้พิจารณาว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรพี่น้องลองคิดดูนะฮะไม่ได้บอกว่ามันเป็นวัถจกักรมันเป็นนอรมัลแต่กําลังจะบอกว่าผู้ที่สร้างผู้ที่กําหนดผู้ที่ให้มันเกิด ได้อย่างไรนะครับแล้วก็คิดต่อว่าและจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันยากตรงไหนนะครับถัดมาครับในอายะถัดไปอัลลอฮซุบฮานะฮวตาลาได้บอกว่ายูอัลซิบุไมยะชะวายารฮามุไมยะชะพระองค์ลงโทษผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์จะทรงเมตตาผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์อันนี้พี่น้องครับถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่เข้าใจในในัยยะและบริบทของอายะคุรอ นะครับว่าเอา้าถ้าพระองค์ทรงประสงค์แล้วเราจะทําอย่างไรเปล่าเลยครับกําลังจะบอกนะครับว่าการงานสิ่งที่พระองค์ทำไม่มีอะไรที่จะมาทวงถามพระองค์นะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปถามนะครับแต่ทรงเมตตาพระองค์ทรงเมตตาแน่นอนอย่างยิ่งครับเราเรารู้อยู่แก่ใจรู้แก่ตัวเองว่าเราเหมาะสมจะถูกลงโทษอย่างไรด้วยกับพฤติกรรมของเราที่ทํา นะครับส่วนการเมตานั้นเราไม่รู้เลยเราจะได้ความเมตตาดูที่ความพึงพอใจของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลนะครับฮุยอีไลฮิตุกละบูนะครับดังนั้นการย่างพระองค์นั้นเราจะต้องถูกนำนำสู่อัลลอฮฺสุบฮานตาลพูดง่ายว่าไม่มีเราไม่สามารถตั้งเงื่อนไขตั้งปณิธานหรือตั้งอะไรต่อไม่อะไรที่จะเป็นข้อต่อรองไม่ได้เลยนะครับพูดง่ายว่าบาว คนหนึ่งนะเอาลอตสลาไม่มีอะไรที่จะมาเป็นข้อต่อรองเงื่อนไขนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันเนี้ยเราใช้กับมนุษย์ด้วยกันเองอาจจะได้แต่กับพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้นะครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่ให้เราทุกคนได้ตรานักแล้วก็ได้ยืนยันนะครับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะในชีวิตของเราล้วนแล้วแต่เราจะต้องอดทนจะต้องฟันฝ่าและฆ่ามันไปให้ได้นะครับ ไม่ใช่ว่าวันนี้เรานมากรห้าเวลาวันนี้เราถือสินด์ในเดือนรอมฎอนเราทำทุกอย่างตามหลักการทั้งหมดเลยทำไมเราต้องถูกทดสอบอีกทาไมบททดสอบไม่ได้บอกว่าคุณต้องทำอะไรและไม่ทำอะไรแต่บททดสอบมาเพื่อให้รู้ว่าเราเป็นบาวที่ขอบคุณหรือบาวที่ท้อแท้หรือบาวที่ไม่น้อมรับในการ ทดสอบของเท่ภูมิจาที่แทจ้จริงนะครับดังนั้นเรามีหน้าที่ที่จะ อ, อดทนและการอดทนจะนำพามาสู่ความสำเร็จของชีวิตเราในดันยานี้และชีวิตเราในวันอับรหอกนะครับเอาละครับพี่น้องเวลาของเราหมดลงแล้วครับพบกระใหม่ในตอนต่อไปนะครับสลาวางเลยกุ้มบารมีตุลากรมราชัน